ต่อไปกองขอรับยังเพื่อนจากธรรมิกทุกรูปแล้วก็เจริญพร อ, อยัางแม่จีบาจบุบาทิกากทุกท่านบาจบุบาทิกาก็หมายถึงทุกคนนั่นแหละเพศหญิงเพศชายไม่ได้กเกี่ยวกับอายนะุจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็คืออุบาศกอุบาจิกาเราก็มานั่งทำวมดสวนมนกันจบเมื่อกี้เราก็สวบดบทที่เป็นเรื่องของอาการ32ตอนตะหัวจอดเท้ารูปธรรมมันมีการประชุมตามหลักตามกฎของธรรมชาติอะไรบ้างถาดน้ำถาดไฟถาดดินถาดลม มันก็มีอยู่ที่เราสรวจกันอาการ32การมาศึกษาทำรรมาศึกษาอาการ32นอี่แหละอาการของกายอาการของจิตแต่ว่าอาการของจิตที่มันเป็นนมามธรรมอันนี้ฝึกหัดได้แน่ร่างกายต้องไหลไปแก่ไปเจ็บไปตายการใช้ชีวิตใจกาย มันก็จะไหลไปตามหน้าที่ของกฎธรรมชาติที่มีของมันอยู่อันนี้ถึงจะมีหลักประกันทางสังคมอย่างเช่นวันนี้มีกรมประกันสุขภาพสังคมแห่งชาติมารวมกันปฏิวัติธรรมที่นี่ทีแรกก็แจ้งว่า30ท่านใช่มล่ะต่อมาก็ส่งยอดมา15ท่นานพอก็จริงตอนนี้เหลือกี่ท่านอ่ะ10ท่านนะต้วหนึ่งคันพอดี อันนี้คือหลักประกันที่ทางรัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลกันประชาชนคนไทยมีสุขภาพดีเรื่องของจิตใจนี่สิ่งที่จะเป็นหลักประกันก็คือความเป็นปกติความเป็นปกตินะอันนี้เป็นหลักประกันได้ถ้ารู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวมีสติโลยเฉพาสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานเมตสติทําทำให้เราเห็น เรื่องจิตใจเนะยเพราะความคิดการปรุงกันแต่งอารมณ์พวกนี้นมันเป็นการเห็นโดยตาในตาเนื้อเห็ น, นวัตถุรูปธรรมตาในไม่เห็นนมามธรรมนะเราก็จะมาฝึกหัดอันนี้นเป็นหลักประกันเพราะว่าองค์สมเด็จสามาจ้าบอกว่าปกติศีลเน้นำสุขมาให้ปกติศีลเน้นทำนำเอาโพกัสซับมาให้และปกติศีลก็นเอา ความเย็น อ, อกเย็นใจไห้เราสีเลสุกติยันติสีเลโกุกสมธาสีเลนิพติยันติพทธมหายติลาวิโสทะเยนนะีคือหลักประกันนั่นเองถ้าใครมีความรู้สึกตัวมีสติมีบุญนะนะมีบุญมีศีลก็จะมีหลักประกันอย่างนี้ควาพบครับชาติคําพบครับชาติวันนี้เราทําเหตุดีพรุ่งนี้มันก็ส่งผลดีตามไปด้วย วันนี้เราทำเหตุไม่ดีเราก็ได้รับผลของวันพวกนี้ไม่ดีไปด้วยที่เขาเรียกว่านิสยัยุปนิสัยนะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแล้วก็จะมาฝึกหัดกันแล้ว่าที่นี่เรามีแนวในการฝึกกันหัดที่มีพระหลวงพ่อคูบาจารย์ประธานสงฆ์ต่างๆแล้วก็มีเหตุที่มาจากองค์สมเด็จสมมาเจ้าเลยก็ว่าได้ สันทีว่าการศึกษาทำมานะแม่นม่ไม่ต้องไปศึกษาอะไรให้มากมายใบไม้มีทั้งป่าถ้าิปเรียนรู้ทั้งป่าก็ เ, เรียนรู้ไม่ไหวหรอกแต่ว่าสิ่งที่จะพาพ้นทุกขนะ์น่ะเปรียบเหมือนใบไม้ก ร, รมอือเดียวเดิมทีมันมีลนะักษณะของหมู่ชนหรือว่าชุมชนติดว่าสังฆะอยู่ร่วมกันทีนี้องค์สมเด็จสามาจ้าก็ เอาใบไม้ล่วงมาชื่อว่าใบประดูไลอ่ะนะแล้วก็บอกสาวกทั้งหลายใบไม้ในมือเรากับในป่าอันไหนมันมากกว่ากันสาวกก็ตอบว่าในป่ามีมากกว่าในมือพระเจ้ากระในคําสอนของเรามีใบไม้กำ ม, มือเดียวนี่แหละก็คือเรื่องของสติปัฏฐานส <S S S S เป็นหนทางเอกหนทางเดียวสู่การรู้แจ้งวัดป่าสุกโตก็มีหลวงพเทียันนะนะ ที่เราใช้คำว่าปรมาจารย์ทางด้านกนารเจริสติปัะญานแล้วก็มีประธานส่งก็คือหลวงพ่ออมเขียนวันโนอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะพวกเราที่อยู่กันพวกนี้ก็เป็นลันกษณะของลูกศิษย์ลูกหาเราได้มาฝึกมาหัดกันใช้สิ่งแวดล้อมใช้พื้นที่ ที่เรียกว่าสบายยาอนอาหารสบายอากาศสบายธรรมชาติสบายหรือว่าชุมชนที่เราอยู่กันอย่างสบายๆคาพูดสบายว่แล้วก็ใช้รูปแบบการฝึกหัดปฏิบัติที่เราฝึกสติศึกษาความรู้สึกตัวเนะี่ยมีสติรู้เลิกรู้ความรู้สึกตัวที่มันมีที่กายของเรามีที่ใจของเราความรู้สึกตัวกายใจ เลยว่าจิตใจเนี่ยมาส่งผลมาที่ร่างกายแล้วจิตใจเนี่ยส่งผลมาที่วาจาคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำมนโนกรรมวิจีกรรมกายกรรมมันส่งผลมาจากจิตกันนี้เรามาฝึกจิตก็ต้องฝึกสติซึ่งเป็นนมามธรรมให้รู้ทันนมามธรรมมันก็จะเหมือนกับว่ามีความมีค่ามีน้ําหนักพอที่จะมีการสัมพันธ์ แล้วก็ทันกันเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันระหว่างตัวสติที่เรารู้รู้สึกที่กายกับยหตุาการณ์ของกายนะ่ะทันกันใหม่ๆสติจากสัญชตาตญาณแล้ก็มาฝึกให้ทันการเคลื่อนไหวของกายนะ่ะที่มันช้าๆหยาบๆซะ ก, ก่อนให้สติมันรู้แต่ละขณะเช่นพลิกมือตั้งปับ๊บง่ายนะให้รู้รู้เท่ารู้ทันรู้สึกตัวพอยกไปป๊บนะก็รู้สึก ตามความเป็นจริงของกายที่มันกำลังแสดงอาการของมันอยู่อันเนี้ยการระลึกแบบเนี้ยมันเป็นสติปัฏฐานถ้าระลึกเช่นรถวิ่งผ่านไปแล้วก็รู้ว่ามันมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ปรุงต่อเอ๊ะรถใครเอ๊ะรถยี่ห้ออะไรถ้าไม่ได้ปรุงอันนี้ก็เป็นสติปัฏฐานกันก็คือได้ยินเสียงเฉยๆแต่ถ้าหากว่ามีเสียงแต่ว่ามันส่งจิตออกไปมีรูปส่งจิตออกไป เป็นการคิดการปรงุงแล้วก็พอใจไม่พอใจอันนั้นก็แสดงว่ามันเป็นสติสัญชาตญาณมันก็จะรู้อะไรมากมายแต่ว่ามันไม่ได้รู้ในตัวมันจะเป็นการรู้นอกตัวเียแล้วถ้ามันก็ว่ามันอยู่ในกรอบของการคิดการปรงุงในกรอบอการตกลงร่วมกันของชุมชนของบุคคลสองคนหรือว่าเป็นหลักของกฎหมายอะไรก็ตาม มันจะเป็นเหตุผลถูกผิดดีชั่วทันทีเราได้เห็นพอเกลับมาสัมผัสกระทบความรู้สึกเราก็เห็นว่าเออมันได้ยินเฉยๆดฉะนั้นเรามาฝึกมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวจนกระทั่งมันเห็นจิตว่าบไ่ายนะจิตจะวาบไวออกไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างทางลิ้นบ้างหรือว่าการคิดการปรุงอดีตอนาคตพวกนี้เราได้เห็นชัดๆที่มาใหม่ก็ลองฟังดูนะการฝึกขัดเบื้องต้นเลยนะ ปมไม่ให้เสีเวลาพราเรามีเวลาน้อยเราก็จ ะ, จะเจริญสติกันได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมปฏิบัติเลยนะเช่นมือซ้ายมือขวาวางไว้ที่หัวเขา่เาลองทําดูคนใหม่ๆคนเก่าๆก็จํานานอยู่แล้วละพลิกมือตั้งให้รู้สึกตัวนะอลองพลิกมือตั้งให้รู้สึกตัวยกขึ้นมาให้รู้สึกตัวมาวางที่จะเดินให้รู้สึกตัวพลิกมือซ้ายตั้งเอาไว้ให้รู้สึกตัว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 อันนี้เรียกว่ารูปแบบนะรูปแบบการฝึกหัดปฏิบัตินะแปว่าการฝึกสติปัญฐานให้เห็นการเคลื่อนไหวของกายแล้วก็มีการเดินจงกรมถ้าเรานั่งแล้วก็เคลื่อนมือแล้วรู้สึกวันเจ็บเจ็บปวดปวดปวดม่อแล้วก็เปลี่ยนอิริยบทมีความรู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนให้เขาได้สติแล้วเราก็เดินจงกรมเดินไปเดินกลับก็เรียกวเดินจงกรมอย่างนี้ น, นะหวัน2วันสาวันแล้วก็จะได้เห็น อาการของกายอาการของจิตใจของเราหรือว่านิสัยขอนิสัยมันก็จะแสดงออกมาให้เราเห็นบางทีปัญหาเก่าๆความคิดเก่าๆที่มันแก้ไม่ตกจริงๆมันคิดแบบบกวนเหมือนกับพายเรือในอ่างคิดแบบตอกย้ำคิดแบบหมกมุน่นย้ำคิดย้ำทำมันจะแสดงออกมาเลยเราก็มีหลักเอากลับมาที่ความรู้สึกรู้เนือ้อรู้ตัวตรงนี้ก่อนมีหลัก พอเราเริ่มมือนก็ว่ามีความคล่องตัวว่องไวขึ้นสตินะบางอยจะรู้ทันนะการของจิตเวลาเผ ล, เลอไปเบื้องตน้นเผลอไปตามความคิดไปตามอารมณ์หลบรดกินเสียงต่างๆแล้วก็เอากลับมาแล้วกลับมาอีกนั่นเรียกว่าปฏิบัติธรรมเหมือนเวลาเราทํางานเนี่มันจะมีกรอบของงานก็ตกลงร่วมกันระเบียบปฏิบัติวินัยปฏิบัติด้วยเนะี่ยเจแล้วพอมันปฏิบัติออกนอกกรอบปั๊บก็อ๋อรู้ละ เรากลับมาเรียกว่าปฏิบัติงานนะฮะหรือว่ามันมีมาตรฐานของวิชาการต่างๆรองรับอยู่มาตรฐานของอยของสากลทีนี้พอเราออกนอกกรอบปับ๊บผู้รู้ก็จะมาตักเตือนบ้างหรือว่าเรารู้ในตัวของเราเองบ้างฉันใดก็ดีปฏิบัติธรรมเหมือนกันจะเป็นอย่างนั้นเราก็จึงไม่กลัวปฏิบัติธรรมการทําบุญทํากุศลเราไม่กลัว ทำทานแล้วก็ไม่กลัวรักษาศีลแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็ตัวปฏิบัติแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็กระโดดเลยกระโดดใส่ลงไปแล้วก็จึงเรียกว่าปล่อยวางพอสมควรเรื่องงานเรื่องความดีหรือว่าเรื่องปัญหาเก่าๆแล้วก็เอาไว้ก่อนอยู่ตอนนี้เราก็บอกตัวเองเราจะมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมมาเจริญสติปัฏฐานเราก็เกอนไหวรู้สึกเื่อนไหวรู้สึกไปเรื่อยๆวินาทีหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่ง วินาทีหนึ่งกับรู้ครั้งหนึ่งอันนี้จะทําให้มันเกิดประสบการณ์ที่เรียกว่าเทคนิคปฏิบัติจนกระทั่งมันมีความชํานาญในการที่จะกลับมาหาความบนะูรู้ตัวเห็นกายเห็นใจของเราหรือว่ามีสติรู้สติเห็นความเป็นปกติจนกระทั่งได้มาตรฐานของจิตจิตมีที่อยู่มีบ้านอยู่มีที่พักใจเมื่อก่อนเราต้องพัก รูบรอดกิดเสียงปวทภ่าภาธรรมารมต่างๆพักกกิจกรรมทางสังคมที่นั่นก็มีกิจกรรมดีๆที่รัฐบาลก็ชีน้นําก็สร้างกิจกรรมขึ้นมาให้ประชาชนได้ตื่นตัวอย่างนี้ได้ตื่นตัวจับใจใช้สอยแต่คราวนี้ว่าการที่เรามาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวยกลับมาข้างใดก็ตามก็จะมีความตื่นตัวอยู่ยนิดเดียมันก็ว่ามันก็จะได้หลักของชีวิตมีกายมีใจแล้วก็มีสติ มีศีลสมาธิปัญญาตัวนี้จะได้หลักของชีวิตอันนี้แหละจะเป็นหลักประกันทางด้านจิตใจของเราแม่เราเหมือนกับว่าเป็นคนที่คิดมากหรือว่าบางทีชีวิตของเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องมัง้มันจะไปแล้วหนะักแก้ปัญหาโดยการหาเหตุหาผลคราวนี้เรากลับมารู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวนะ เป็นตัวแก้อารมณ์ให้กับเราที่เคยตกค้างข้างค้างข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีงจนกินไม่ได้จนนอนไม่หลับให้มันยุดติเกิดความยุติธรรมขึ้นมาก็คือกลับมารู้สึกตัวอยู่ในโลกความเป็นจริงที่ปัจจุบันเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าแต่เพราะนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็กิจกรรมที่จะทำต่อไปนี้คือกิจกรรมที่ดีที่สุดที่เราจะได้มีการเรียนรู้กันตามวิสัยของบัณฑิต ก็คือมันเป็นยังไงตามวิจัยบันเด็ตก็คือเราไม่ได้เล่งเล่งที่จะด่วนรับอนะหรือว่าเล่งที่จะด่วนปฏิเสธเราไม่ได้รีบรับไม่ได้รีบปฏิเสธเราก็ลองดูก่อนหนึ่งวันสองวันสาวันลองเรียนรู้ดูการเคลื่อนไหวสร้างจังหวะบ้างเดินยังกรมบ้างหรือว่าในรูปแบบนอกรูปแบบพนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆมีประสบการณ์ร่วมกันอีกครั้งนะเดี๋ยวขอญาต์เล่านิด น, นึง <c oughs> ขอญาต์เล่านิด น, นึงว่า เมื่อวานนะอยู่จังหวัดระยองอยู่บ่าานกลับลงไปที่ระยองเพื่อจะดูว่าเอาที่บ้านมีพ่อแม่นะเขาอยู่แล้วก็จากกันมา15ปีแล้ว mm hmm. ก็วน ร, รอบๆตัวนะล้วก็ได้ข่าวไม่ค่อยดี mm hmm. ก็คือพี่สาวก็เคยโทรมาบอกว่าแม่เขาเครียดมากเกี่ยวกับเรื่องดูแลพ่อ mm hmm. พ่อาอายุ84แล้วเขาก็ไปผ่าตัดลำไส้ไหม mm hmm. ลำไส้ทะลุ ทีนี้คนเคยทำงานพอแม่ได้ทำงานาก็มันก็จมแล้วก็โมสมซุดลงตอนนี้แม่เขาก็เครียดหนักมันมีทรงกัะซุดทรงกัะซุดทรงกับสุดก็จึงไปกินยาดองก็คือกินเหล้าดองด้วยยาตะขาบห้าตัวเลยมเนียกินจนติดหนึ่งปีกลายเป็นอีลายองไปเลยโยมแม่นะ อายุจะแปดสิบแล้วนี่คือการแก้ปัญหาพอเคลียดล้วก็ไปกินเหล้าไปกินยาตองส่วนพ่อเขาป่วยเขาเครียดเขาก็าไม่ได้ทํางานกาใส่ดูมวยเวลามวยชกกันก็ดูแล้วรู้สึกมีกําลังมันเสาที่ก็นั่งดูมวยเวลาจะไปทําอย่างอื่นนะรู้สึกไม่มีแรงนะแต่นั่งดูมวยแล้วรู้สึกมีกำลังก็แมาใช้กีฬาใจภาพเตรียมรังต่อสู้กล้ามเนื้อเป็นอนมากแล้วตีกันชกกันนั่งดูแล้วก็รู้สึกอยู่ได้ อยู่ได้หลายชั่วโมงนะต่อสายกำลังใจจากลูกหลานคอยเชียร์กินสนะกินชนะข้าวถ้าไม่กินมันก็จะทุดลงหรือว่าบางทีอาจจะตายได้เร็วถ้ากินจะต่ออายุได้เองต้องอาศัยการปอบบ้างครู่บ้างกันไปพี่สาวก็เครียดเพราะว่าเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองซึ่งระยองนี่แข่งขันกันสูงมากมันเดือนสามสี่หมื่นแล้วก็ไม่พอใช้หรอก ถึงจะมีสามีแล้วก็ช่วยกันทำกินก็นยังไม่พอใ้อีกนะลูกกำลังโตแล้วก็พ่อแม่จะต้องคอยดูแลเวลาก็จะไม่มีในการทำงานทำการก็เครียดก็นั่งร้องไห้อ่ะ น, นะทางออกของแต่ละคนแล้วก็มีอีก 2-3 สามคนนั้นเครียดก็ใช้จิตแพทย์ดูแลซึ่งทำงานจนกทังติดเพดานแล้วนะมันก็ไม่ก้าวหน้าไม่ถอยหลังอะไรอีกแล้วนะเป็นนายทหาร ในทหารฝึกกายนะเข้มแข็งด้วยจิตฝึกตัวเองไม่ได้เพราะว่าตอนที่ไปทำงานเป็นผู้บังคับบัญชาขอไปก็เป็นผู้บังคับบัญชานายยศนาวายเอกครานี้เวลาไปทำงานก็เข้มแข็งแต่เวลากลับมาที่บ้านอยู่ว่าภรรยาภรรยานี่เก่งกว่าทาธุรกิจ ในในตระกูลของค o ็อกบิตปิดสโตนพวกนี้นะเกี่ยวกับการซ่อมรถแล้วก็ขายยางแล้วขายดีด้วยแล้วกเก่งแต่ว่าธุรกิจก็ยุ่งอยู่ลาตับสนนั้นสามีเนะี่ยจะต้องคอยรับส่งลูกไปโรงเรียนแล้วคอยซื้อกับข้าวาลกว่าตัวสามีเนะี่ยเครียดจัดเลยนะเราก็เห็นทางออกของแต่ละคนนะอ๋ อ, อ ก, ก็บอกให้เจริญสติไปแต่ละครั้งก็บอกว่าให้ฝึกเจริญสติแต่เขาก็ไม่เข้าใจกัน เพราะว่าสังคมที่เขาแข่งขันกันอันนี้ก็เป็นบุญของพวกเราอันนี้ก็คือผมหรืออาตมาได้มองว่าเป็นบุญของพวกเราที่อย่างน้อยๆก็ได้ยินได้ฟังได้เจอวิธีการปฏิบัติธรรมเช่นหลวงพ่อเขียนท่านก็พูดถึงสภาวะของผู้ดูหลวงปู่เทียนท่านก็ท้าทายว่าให้มนุษยชาติเนี่ยจะมีกี่คนก็ตามในโลกใบนี้ออกมาจากความคิดออกมารู้สึกตัว ให้เห็นกายเคลื่อนไหวให้เห็นใจเวลามันนึกมันคิดให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวในครอบครัวของกับผมเนี่ยแตามาไม่เคยมีใครได้ยินประโยคนี้นะไม่เคยมีใครได้ยินนะแต่ผมเนี่ยแตามาเคยได้ยินตอนสมัยที่เรียนอยู่เชียงใหม่ตอนนั้นได้ยินหลวงพ่อเขียนท่านพูดท่านพูดถึงให้มาเห็นกายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวโดวยการใช้นิ้วนี่ยนะมากระทบกันท่านบอกว่าเอาแค่นี้ก็ได้เนี่ยตอบกันแค่เนี้ยได้ พอตอบกระทบแล้วเอาใจมารับรู้ความรู้สึกหรือว่าพิกความพิกไหนาดงกะพูดง่ายๆนะครนี้เราฟังแล้วเราลองทําดูเออจะเห็นจริงจิตทํางานได้ทีลักษณะในขณะที่มาเคลื่อนไหวรู้สึกมารับรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ความคิดมันก็อยู่กับการสัมผัสสัมผัสรู้สัมผัสรู้ตรงนี้ก็จึงเป็นเรื่องของมนุษยชาติทุกๆคน ที่เรามีความทุกข์ที่เกิดจากความคิดที่เรียกว่าภัยวัตะสงสารหรือเรียก ว, วัตภัยภัยวัตตาสงสารคิดแล้วคิดอีกบางทีก็คิดจนกระทั่งเรื่องเก่าจบไปแล้วเรื่องใหม่ก็มาอีกเรื่องใหม่กลายเป็นเรื่องเก่าแล้วเดี๋ยวก็มาอีกเียเราฝึกสติบางทีเราก็รู้ทันตอนที่คิดจบไปแล้วมันหลงไปแล้วมันโกรดไปแล้วมันทุกข์ไปแล้ว พอเราฝึกสติชำนาญมากขึ้นก็เห็นบางทีมันคิดไปกลางๆ ก, งก็รู้ทันได้หรือบางเรื่องอ่อนๆแล้วก็ไม่มีกําลังเนี่ยพอคิดปั๊บรู้ปุ๊บได้เรื่องไหนแรงๆบางทีก็คิดวกวนนักรอบสองรอบแล้วก็รู้ทันได้แล้วก็ได้ออมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาด้วยก็คือมีลักษณะของวิธีปฏิบัติรูปแบบปฏิบัติรือว่ามีทางออกเป็นทางสว่างเล็กๆหรือเขาเรียกว่า อารมณ์ของวิพัฒนาน้น้อยรู้ใน้น้อยก็ดับทุกได้น้น้อยเราก็ฝึกให้รู้จำนานมากขึ้นวันนึงมียี่บสี่ชั่วโมงล้วก็แบ่งๆบ่งตื่นเช้ามาทำบัตรสวดมนเราก็แบ่งแบ่งรู้สึกตัวบ้างหรือหลงเผลอไปบ้างไม่เป็นไรแล้วเราก็ฝึกปฏิบัติธรรมในรูปแบบฝึกหัดจิตของเราอย่างน้อยๆก็ในเวลาแปดชั่วโมงในเวลาราชการ เนี้ยเราก็เอาจริงเอาจังหน่อยจนกระทั่งเขาได้นิสัยคราวนี้แหละจะนั่งจะเดินจะยืดจะนอนมันจะมีความรู้เนื้อรู้ตัวทั่วสัวร่างกายอยู่เราก็จะได้เห็นประโยชน์ชีวิตมันจะเกิดคุณค่าขึ้นมามีกายก็ใช้กายมีวาจาใช้วาจามีจิตก็ใช้จิตเกิดคุณค่าขึ้นมาเรียกว่าได้ทําหน้าที่แต่ถ้ า, ากว่าเราไม่มีสติไม่เคยฝึกมาก่อนนะ มันก็จะทําอะไรความหลงก็จะนําให้คิดให้พูดให้ทํามันจะมีตัวหลงนํานำมีอารมณ์จะนําอยู่ตลอดจนเกิดการเบียดเบียนเตัวแล้วเบียดเบียนคนอื่นทางกายวาจาใจบางทีคนที่รักเราก็ร้ายได้เคยไหมคนรักงั้นเราก็ร้ายได้รั่คนที่เราร้ายเราก็รักได้มันก็เป็นอย่างนั้นความรักเป็นความร้ายหรือว่าจอมโจรในจอมใจด้วยนะแต่พอเรารู้สึกตัวกลายเป็นว่าเออเราก็กลับมาเกี่ยวข้องกับตัวเรา มันจะมาเปลี่ยนที่ตัวเราอย่างนี้เราไม่ได้ไปเปลี่ยนที่คนอื่นนะปฏิบัติธรรมมันกลับมาเปลี่ยนที่ตัวเราเปลี่ยนที่กายของเราเปลี่ยนที่บาจารของเราเปลี่ยนที่จิตใจของเราโดยเฉพาะจิตใจของเราก่อนเพื่อนนะจะทําเหมือนกับว่าเออเราเปลี่ยนไปฮะแต่เขาไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะมีปัญญามากขึ้นรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางไม่ใมันเกิดขึ้นมาจริงจิงนะอันนี้ก็ให้เป็นเรื่องของการสัมผัสที่เราไม่ได้ต้องคิดเอาด้นเอาเดาเอา คำนวณคาดคาเนไม่ต้องหลักการก็คือลักษณะของกายนะมันมีรูปธรรมมีอาการต่างๆที่เกี่ยวข้องและเรื่องของจิตใจนั้นเป็ น, นของนามธรรมแต่สติปัฏฐานมันเป็นนามธรรมมันจะไปรู้ทันนามธรรมได้กันความคิดตามหลักวิยาศาสตร์เนี่ยเราคิดไม่น้อยกว่าวันละเจ0ด0มืนเรื่องแล้วก็ ความคิดมีความไวไม่น้อยกว่าสเจเท่าของปรมาโแสงไวผเสียงแต่ว่าจิตคิดนี่ไวผัสแสงคร<ม>นี้สติมันไวกว่าเราก็จึงมาฝึกสติสติมีปัญญาก็มาปัญญาจะมามันก็ต้องมีสติแล้วรู้ให้เท่ารู้ให้ทันครนี้สติจะมีมากๆก็ต้องรู้สึกตัว รู้สึกตัวให้บ่อยๆรู้ตัวกายตัวใจนให้บ่อยๆครนี้จะรู้สึกตัวให้ชัดก็ต้องเคลื่อนไหวเห็นกายชัดก็เราก็เคลื่อนไหวเหมือนกานึกภาพว่าเคยเคยยิงนกไหมเคยมีหนังสติ๊กแล้วยิงนกไหมถ้าเราเห็นว่ามีนอกอยู่เนี่ยนกเคลื่อนไหวแป๊บก็รู้ละอ่อนนี่คือนกจะไปดูลิงเห็นลิงเคลื่อนไหวอยู่เี่ยออนนี่คือลิง เวลากลายเคลื่อนไหวก็จะเห็นกายชัดนะโดยเพราะเจตนาด้วยเวลาที่จิตมันเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นชัดถ้ามีสติปัฏฐานละเอียดละเอีดยดแล้วมีพลังหน่อยเราจะได้เห็นอ๋อมันว่าไหวได้ด้วยจิตของเราซึ่งจริงๆมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่มีความรู้สึกตัวเป็นเครื่องรับข้อมูลอาการของกายอาการของจิตนี พอเราค่อยๆฝึกออกมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีความรู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวใจก็รู้สึกนะัคืออาการของสติปัฏฐานกายทําอะไรใจก็ทําด้วยอยู่ด้วยกันกายกับใจก็อยู่ด้วยกันเบื้องตน้นพอเราได้หลักนี้ป๊บเดี๋ยวมันจะค่อยๆสนุกในลมปฏิบัติมีการตื่นตัวหลังจากที่รู้สึกตัวถูกต้องแล้วก็วางกายวางใจถูกต้องมันจะเกิดอารมณ์ปฏิบัติขึ้นมาเหมือนเวลาเราทํางาน เมื่อเวลาเราออกกําลังกาย น, น, นานๆพอเราออกกําลังกาย น, น, นานๆก็จะมีอาการแบบเหมือนการมีความสุขอะนะสารเอโดโฟินมันหลั่งออกมาเวลาเราเครียดคอติซอลมันหลั่งออกมาเวลามีความสุขเอนดโฟีนมันหลั่งออกมาเวลามันเศร้าซึมมีอะดีอรีนาลีนหลั่งออกมาพวกนี้ตามหลักของวิทยาศาสตร์มีสารมีเคมีอยู่ในตัวอันนี้แหละมันจะทําให้เราเหมือนกับว่าได้จัดระเบียบ ตัวกายตัวาจาตัวจิตใจของเราถ้าคิดเป็นทุกข์เนี่ยก็คือนรกคือบาคือโง่คือมืดใช่ไหมถ้าคิดเป็นสุขคิดเป็นสุขก็คือบุญถ้าคิดดีมก็พูดดีมก็ทําดีก็ทาบุญนั่นแะหละเวไรรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสวรางรู้จักนรกรู้จักความสุขรู้จักความทุกข์รู้จักความมืดความสว่างจะได้เห็นลองเห็นช่องเห็นทาง เป็นรอยที่องค์สมเด็จสัมมาวัเจ้าไ ด, ได้ได้วางเอาไว้ได้เห็นได้ชี้ได้นำแล้วก็บอกมาถึงยุคของเรา 2,600 ปียุคนี้แล้วเนี่ยนะก็คือของเรามีอยู่เท่าไหร่ 2,556 ปีใช่ไหมบวกกับท่านคนพบมา45ปีที่สอนทำมาบวกกันเข้าไปมันก็ 2,600 ก็บหนึ่งปีแล้ ว, 2, แ, ลวแล้วก็มาถึงยุคเรามันก็ยังมีร่องรอยมีกลิ่นออยู่ ลองลอยของการฝึกสติปัญญาน4ซึ่งเดิมทีเนี่ยตามตำราเขา อ, อ้างว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยมีการสอนกันจนกระทั่งเหมือนกับตามตำบลตามหมู่บ้านเวลากขาเจอกันถึงกระทะ ก, กันว่ารู้สึกตัวเปล่ามีสติหรือเปล่าหรือว่ากําลังตักน้ํากําลังซักผ้ากําลังผ่าเฟือง กำลังปั่นฝ้ายกำลังเจริญสติอยู่ในเ e อียบทเนี้ยในหมวดไหนอะในหมวดกายในหมวดเวนาร์ในหมวหมดจิตในหมวดธรรมเจริญสติอยู่เปล่าถ้าตอบไม่ได้ว่าเจริญสติอยู่หมวดไหนก็จะว่าที่หลังอย่าทําอีกนะอย่าทําอย่างนี้อีกองคสมเด็จสมานเจ้าเนะี่ยอุบัติขึ้นมาเพื่อเราได้เดินตามรอยเดินตามทางของท่านสู่มรรคสู่ผลนิพพาน ถ้าตอบได้ก็จะสาธุสาธุสาธุออกสมเด็จสามญเจ้านัอุบัติมาเพื่อเธอแท้ๆเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเพื่อเธอจะได้เข้าถึงแก่นที่เรียกว่าวิมุตต์หลุดพ้นจนกระทั่งเหมืนกัว่าทําชีวิตของเราให้เหลืออยู่เนี่ยเกิดกําไรชีวิตหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขเดี๋ยนะแล้วก็ฝึกสติกันโดยเดาะเวลานี้วัดป่าสุขโตโอก็ มีการฝึกหัดเป็นแบิกันอยู่ในรูปแบบนอกรูปแบบมีคนมาทําวัดหรือว่าที่ไม่ได้มาทําวัดหลายคนก็เก็บอารมณ์อยู่เช่นมีพะระศรีลังกาท่านก็เก็บอารมณ์อยู่ที่มีพระจีนมีพะระศรีลังกาพระญี่ปุ่นก็กลับประเทศไปแ ล, ไแล้วก็มีพระไทยแล้มีพระจอนไปจอนมาเราก็จะอยู่ร่วมกันแล้วก็มีอุบาสกบักิฑาตมีแม่ชีต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของตนของตนต่อไป แต่ว่าคอร์สนี้ก็คิดว่าวางแผนเดิมเอาไว้ก็จะวอร์แม่ครัวให้เขาได้เหมือนกับว่ามาทําอาหารแล้วเราจะได้ฝึกสติกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อในคอร์สเข้ม9วันก็เรียกว่าวอร์ไปแล้วเดี๋ยวเข้าคอร์สเข้มก็จะได้ทําแบบเหมือนกับไม่ติดไม่ขัดซ้อมไว้ก่อนจะได้มีความคล่องตัวคอร์สเก็บรมเข้มก็จะมีอยู่เท่าที่แจ้งมาตอนนี้ก็60ท่านก็คิดว่าร้อยกว่านะ เราจะได้ฝึกสติใช้วัดป่าสุงโตเรียกว่าสถาบันเศรษฐฐานแล้วก็มีเหมือนกับห้องเรียนที่เราจะฝึกหัดเจริตสติก็อยู่บริเวณนีนะ้ชั้นบนชั้นล่างแล้วก็ทีลานหินโค้งหรือว่าทางเดินข้างๆนี่เต็มที่เลยใช้รูปแบบฝึกหัดปฏิบัติเพื่อสร้างนิสัยเบื้องต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆไปลองเข้าห้องสอบกรรมฐานนอกรูปแบบดูไปไปเชิญการลมดูเวลาขณีทานเป็นไงเวลาขัสสะระเสรดเป็นไง ถ้านิยนตาแล้วก็เหี่ยวแฟฝดแสดงสอบตกนะสารสินจิตใจก็ฟูก็สแสดงว่าสอบตกถ้าทัพปกติก็สอบผ่านหรือว่ามีราบเสื่อมราบมียอดเสื่อมยศมีสุขมีทุกฝนตกแดดออกหรือว่ายุงชุมอย่างเงี้ยนั่นคือครูที่จะมาสอบเราวันทั้งวันแล้วก็เหมือนกับต้องสังเกตอาการของกายอาการของจิตหรือว่าความเป็นปกติมันมีอยู่ตรงนี้ไม่วันไหว ลราเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ไม่วันไหวหนักแน่นมั่นคงอดทนอย่างเงี้ยตัวเวลยยืดหยุ่นแล้วก็ยืดหยุ่นตัวเวลยยอมแล้วก็ยอมเป็นกระบวนการของปัญญาทั้งหมดทั้งสิ้นก็ได้เย็นเราก็ฝึกให้กายวาจาใจเรามีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบอย่างนี้นะเราก็จะระเบียบของกายวาจาใจของเราจทั้งหมดเหมือนกัว่าเป็นระเบียบหน้าที่ที่จะไปทํางานกันต่อไปกับสังคม ยุคนี้โดยเพราะวันนี้ก็มีการรวมตัวกันฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลอะไรก็เผชิญหน้ากันลักษณะของยอมแพ้หรือว่าไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยแต่ของเราก็มาอยู่ที่นี่ก็แล้วแต่เขาเถอะเรามาอยู่นี่ราจัดการกับตัวเรากันโดยเว่าในตัวเราที่มันเหมือนก็มีความคิด2ตัวแล้วก็ชอบขัดแย้งกันเองเคยทะเลาะกับตัวเองไหมยอมเคยไหมอย่าทํานะขออีกที อ, อีกทีไง ไม่มีใครรู้หรอกเไงผมให้ฟังไงล้วนเนี่ยอย่าทําอีกนะอย่าทําอีกนะาเงี people, ้ยพอทําไปแล้วก like ็อืมไม่ทําแล้วละแต่ทําก็ทําอีกจนได้อะไรเงี้ยอาการแบบนี้ไม่กินแล้วต่อไปนี้ไม่กินละของสิ่งนี้อาหารสิ่งนี้ไม่กินแล้วแต่มันก็อยากก็ทําไม่จนได้เปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเนี่ยรสชาติพวกนี้จะเป็นรสชาติที่เหมือนกับว่าชวนให้เราเหมือนกับว่าเผลอหลงมาอยู่ที่ลองดูนะมัดมือชกนะอาหารตามมีตามได้อากาศกันแล้วแต่เขาบางทีก็หนาวบางทีก็ สบายๆจริงๆอาจจะร้อนๆเอ้าๆช่วงนี้เป็นเป็นเทศกาลที่ไสเดือนนะะมันมันออกจากดินนะโยมอ่านว่าใช้คําว่ามันออกมาเขียนจดหมายลาตายเข้าหน้าหนาวล้วเต็มตัวเลยเดินมาตามทางโอ้ไม่แต่มดไม่แต่ไสเดือนนอนตายเกลื่อนแห้งหมดเลยเข้าหน้าหนาววันนั้นจะเจออะไรก็ตามก็ไม่เป็นไรใจของเรา ที่มาใหม่ๆก็ไม่ต้องกลัวนะบางทีอาจจะมีเสียงเดินรอบกรดบ้านกลางคืนะมันมีอยู่เสียงสัตว์เดินนะมันไม่มีคนไปเดินหรอกบางทีก็มีเหมือนกับหนูหรือว่าเมื่อกี้เห็นไหมกระลอกวิ่งเดดเดือนี่ยมันจะขึ้นไปตามกรดแล้วถ้ามันได้กลิ่นอาหารนะมีอาหารที่ตามกรวดนะมันขึ้นแน่นอนนะพว่กินพวกขนมปังเพื่อผลไม้กล้วยพวกนะี้มันวิ่งกันกลางคืนหละคืนนะี้ ประนั้นเอารวมๆแล้วก็มาเก็บรวมๆไมไ่ในครัวก็ได้เห็นนะปลอดภัยแล้ววิถีอากาศร้อนๆ อ, นอา้อาวๆเรามีอาหารเนี่ยมดก็จะขึ้นตามกดเพื่อหาอาหารมากันนี้เราก็จะนอนกันลำบากนิดนะตรงนี้เราก็มาเรียนรู้กันปรับเนื้อปรับตัวปรับกายปรับใจนะให้เข้ากับกิจวัตรประจําวันให้เข้ากับธรรมชาติจัดสาลาสิงให้เข้ากับอาหารการกินหรือว่าให้เข้ากับการหลับการตื่น ให้เข้าการรูปแบบการปฏิบัติธรรมบางทีเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็ค่อยๆกันสองสามวันเดี๋ยวเราก็คุ้นเคยไปได้อาศัยกายามิตรที่เรียกว่าพีนะ่ที่เขาอยู่เก่าๆ ก, ก่อนๆใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีเหมือนกันไม่เข้าใจนะในพื้นที่นะมันเป็นพื้นที่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยไร่บางทีอาจจะเดินแล้วก็หลงหลงทางก็ได้นะหลงเดินก็ถามถามกัน อยู่กดไหนจำให้แม่นน้าไฟแล้วก็ดูแลกันเต็มที่อย่างเงี้ย น, นะอยู่กันแบบเป็นบ้านของเรามาที่วัดป่าสุกโ ต, โตที่นี่หลวงพ่อเขียนท่านใจว่าเป็นบ้านของเราทุกคนเป็นญาติพี่น้องเหมือนกับเพิ่งได้มาพบหน้ากันอีกครั้งไม่มีพิษไม่มีภัยอยู่ที่นี่อย่างเง้ย น, นะเอาก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านที่มาใช้ชีวิตร่วมกันที่วัดป่าสุกโตก็ใช้ สถานที่เพื่อทำดีกันแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติธรรมประพฤติปรมจัจจนจต่างเหมือนกับว่าให้ความทุกข์เรามาลดลงลดลงลดลงจต่้งมีความไม่ทุกข์มีความสุขเสมสารโดยทัวหน้ากันทุกท่านเทือน